ตอนแรกนะกล่าวสติปทานก่อนใช่ไหมว่าถ้ากล่าวกายคตาสติชื่อว่ากล่าวเวทน า, เ, าเวทนาคตาสติจิตตคตาสติธรรมคตาสติทีนี้ในสติปทานเฉพาะกายคตาสติก็คือกายานุปัสนาเนี่ยองค์ประกอบคืออะไรคือพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสทีนี้เชื่อมสติปทานอันนี้มาเป็นอินทรีย์ว่า อาตาปีคือวิริยินสีสมปชาโนคือปัญญินรีสติมาคือสตินรีกำจัดอภิชาและโทมนัตคือสมาธินรนะีสติปทานสย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอย่างนี้อยู่เพราะเหตุไรเพราะอินรีทั้งสี่มีลักษณะเหมือนกันะนะ ถามว่ามีลักษณะอย่างไรมีลักษณะว่าเจริญกุศลอยู่เหมือนกันเป็นธรรมที่เป็นภาเวตปรธรรมเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยจึงก็ต่างกาันบางอย่างก็ต่างกันโดยไวยพจน์เท่านั้นเอ ง, อ ย, งอย่างยกตัวอย่างนะว่าสตินรี่สติพะละสติสามโฟชงสัมมาสติต่างกันตรงวัยพจน์เท่านั้นเองไม่ได้ต่างกันโดยสภาวะเนี่ยเมื่อเจริญสติประธานสี่แล้วสามมาประธานสี่ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนา เมื่อเจริญสัมมาประธานสี่แล้วอิทิบาสีย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อเจริญอิทธิบาสีอินทรี่ห้าย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อเจริญอินทรี่ห้าแล้วพละห้าย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อเจริญพละห้าแล้วโพชฌงเจ็ดย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อเจริญโพชฌงเจ็ดแล้วอริยมัตมีองค์8ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนา โพธิปัจขยธรรมทั้งปวงอันเป็นที่ตรัสรู้อริยสัจ4ี่ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาอันนี้ก็เน้นไปที่มัคคสัตนะนะถ้าอบรมอย่างนี้ก็จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าโพธิปัจขยธรรมคือธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เนี่ยอันเป็นธรรมะที่ตรัสรู้อริยสัจสี่มีลักษณะเหมือนกันโดยมีลักษณะที่เรียกว่านําออกจากวัตต นิยานิกาโถเนี่ยนะนิยานิการโถในอัตอริยาศาสตร์สี่นะโพธิปัจขิยธรรมทั้งหมดนี่คือนิยานิกะทัศนะเหตุและอธิบดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ยกมาในความเป็นนิยานิกาธรรมว่าทุกอย่างนะโพธิปักขิยธรรมทั้ง37นั้นอนะ่ะมีลักษณะเหมือนกันคือนิยานิกธรรมแปลว่านําออกจากภูคหรือนําออกจากวัาตานะ นิยานิกะรนี่คือนําออกจากทุกข์กับนําออกจากวัตะทุกทั้งหมดเนี่ยโดยลักษณะมีลักษณะอย่างไรปีละนะเบียดเบียนใช่ไหมสมุทัยทั้งหมดมีลักษณะอายุหนะณะประมวลให้มีพบใหม่นิโรสัจนะนั้นโดยสภาวะก็คือนำเอ่อนำออกจากสังคตะหรือสลัดออกจากสังคตะส่วนมรรคเนี่ยมีลักษณะนิยานิกานะลักษณะที่นําออกจากวตฏะหรือนําออกจากทุกข์นั่นเอง โพธิปัจขยธรรม37ประการเหล่านั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเพราะมีลักษณะเหมือนกันนะนั่เจริญกุศลถ้าเจริญได้อันหนึ่งนะถ้าเจริญดีจริงๆนะที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยบางแห่งเท่านั้นนะที่พระองค์จะแสดงทั้งสติประธานสัมมารประธานอิทิบาทอินทรีย์พร ะ, ระโพชฌงองค์มัตที่เดียวกันแต่โดยมากแสดงอย่างนั้นไหมไม่ แสดงนะบางสูตรก็แสดงเฉพาะสติปฐานบางสูตรก็แสดงเฉพาะอินทรีย์บางสูตรก็แสดงเฉพาะโพษชงบางสูตรก็แสดงเฉพา ะ, าพา ะ, าพาะมาร์กเนี่ยนะก็แยกๆการแสดงแล้วบางทีในกุศลธรรมเหล่านั้นบางทีเอามาตัวเดียวเอามาแค่ศัพสองสั์เท่านั้นเองไม่ได้พูดทั้ง8เลยใช่ไหมบางสูตรแสดง ย, ยากปัญญามาอันเดียวบางสูตรเนี่ยยกสัทธามาอย่างเดียวบางสูตรยกวิริยะอย่างเดียวแต่ว่าถ้ายกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหลือทั้ง37ก็เท่ากับ ยกมาแสดงแล้วทีนี้ในด้านกุศลเป็นฉันใดมาดูอกุศลก็เหมือนกันว่าแม้อกุศลธรรมทั้งหลายก็ถึงเึื่องการหายไปการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมีลักษณะเหมือนกันฉันนั้นกุศลเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเพราะเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่เป็นภาเวตปธรรมเป็นธร ร, รรมที่ต้องอบรมภาวนาขึ้น อากุศลก็มีลักษณะเหมือนกันอากุศลมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเป็นธรรมที่ควรละเป็นปหาตัปปธรรมท่านบอกว่าแม้่อกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายก็ถึงซึ่งการหายไปการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมีลักษณะเหมือนกันฉันั้นคือเหมือนกันโดยความเป็นปหาตัปปธรรมเหมือนกันโดยเป็นธรรมที่ควรละเมื่อเจริญสติปฐานสี่แล้ววิปปาสีย่อมหายไป แม้อาการของวิปลาสนั้นย่อมถึงการกําหนดรู้เป็นผู้ไม่มีความยึดมั่นด้วยอุปาทานสเป็นผู้ปราศจากการประกอบด้วยโยคะทั้งหลายคือโยคะสีเนี่ยนะเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยคันธะทั้งหลายสเป็นผู้ไม่มีอาสะวะด้วยอาสะวะทั้งหลายสเป็นผู้ข้ามพ้นโอคะทั้งหลายโอคะก็สีกันนะ และเป็นผู้ปราศจากลูกศรด้วยลูกศรทั้งหลายมีตันหาเป็นต้นมันก็ละบาปละกุศลไปเยอะนะทะลวิปลาสก็ชื่อว่าละอุปาทานละโยคะละกันทะละอาสวะละโอคะนี่นะมันแต่ลอเอาละเรื่องเดียวได้ก็เรื่องอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาสรุปว่าละอะไรดีละวิปลาสนะทะลวิปลาสได้ก็อย่างอื่นก็ชื่อว่าละด้วยแหละไม่ต้องห่วงหหายเมาอย่างเดียวนะอย่างอื่นละหมด และเป็นผู้ปราศจากลูกสอนด้วยลูกสอนทั้งหลายมีตันหาเป็นต้นนะลูกสอนคือตัญหามานะทิฏฐิทุจริตเนี่ยนะก็ชื่อว่าละลูกสอนเหล่านั้นด้วยแม้วิญญาณทิฏฐิทั้งหลายก็ย่อมถึงการกำหนดรู้แก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงอัคติด้วยการถึงในสิ่งที่ไม่ควรถึงแม้อากุโสรธรรมทั้งหลาย ก็ย่อมถึงซึ่งการหายไปและการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทาละอกุศนได้อันหนึ่งก็อกุศนอื่นๆก็ชื่อว่าละไปหมดแต่ที่น่าสนใจพิเศษเพิ่มตรงนี้คือแม้วิญ ญ, ญาณทิติทั้งหลายก็ย่อมถึงการกำหนดรู้แก่บุคคลนั้นวิญญาณทิติเนี่ยนะมี2กลุ่มวิญญาณทิติที่เป็นกรรมกับวิญญาณทิติที่เป็นวิบาก วิญญาณที hmm. ่วิญญาณิติที่เป็นกรรมนี่มีอยู่4ประการคือวิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ในรูป 1. นะวิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ในรูป 2. วิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ในเวทนา 3. ตั้งอยู่ในสัญญาสี่ตั้งอยู่ในสังขารตัววิญญาณเนี่ยนะเป็นกรรมเรียกว่ากรรมมะวิญญาณเรียกว่าวิญญาณทิติที่เป็นกรรมส่วนวิญญาณทิติที่เป็นวิบากคือปฏิสนธิจิตเหมือนต่างกันรูปต่างกันปฏิสนธิจิต เหมือนกันรูปต่างการปฏิสนธิจิตต่างการรูปเหมือนกา ร, ร, ป, าการปฏิสนธิจิ ต, ตเหมือนกันรูปเหมือนกันนไหแล้วก็อากาสานัญจา ย, ยตนะวิญญาณัญจา ย, ยตนะอากินจัญญา ย, ยตนะพวกนี้หมายถึงกลุ่มวิบากมันก็แบ่งเป็นวิญญาณทิติที่เป็นกรรมกับที่เป็นวิบากแต่ตรงนี้เนี่ยเน้นไปที่กรรมวิญญาณทิติทั้งหลายย่อมถึงการกําหนดรู้รู้ได้ยังไงว่าเป็นกรรมก็เพราะว่าผู้ธรรมะหมวดสี่มาซะส่วนใหญ่เนี่ย ให้ท่จารย์ช่วยขยายความนะครับหมายถึงเป็นกรรมยังไงครับตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจะทํากรรมเนี่ยนะอารมณ์ของกรรมวิญญาณก็คือรูปอ่ะอารมณ์ของคืออารมณ์ของกุศลอกุศลก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะก็ถามว่ามีกุศลอกุศลอะไรบ้างไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์ไม่มีมันก็ที่ตั้งแห่งกุศลและอกุศลก็คือ รูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นั่นเองนนเนนะเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเรียกว่าวิญญาณทิติแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งกรร ม, มวิญญาณมาดูนะว่ากุศลคือตัวกรร ม, มวิญญาณเนี่ยนะกรร ม, มวิญญาณก็คือกุศลกุศลจิตกับอกุศลจิตกุศลอกุศลเนี่ยนะ ก็มีอะไรเป็นอารมณ์1รูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ตัววิญญาณก็คือตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นกุศลอกุศลเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยที่ปรารภรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือในสภาพจิตที่เป็นกุศลอกุศลใช่ไหมไม่พ้น4ประการนี้หรอก ตัว ต, autistic, ตัวกรรมวิญญาณตัวชาวนานะที่มีมีอารมณ์อารมณ์ของชาวนะก็คือเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณเหล่านี้ก็นํามาซึ่งวิบากนะวิบากวิญญาณคือหนึ่งอันนี้หมายถึงกายกับจิตนะเช่นว่าปฏิรูปกายที่ต่างกัน ปฏิสนธิจิตที่ต่างกันเช่นมนุษย์ทั้งหลาย น, นะกับเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเทวดาบางพวกสองกายต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันเช่นอบายพวกอบายทั้งหลายเนี่ยรู ป, ปรกายนี่ต่างกันละแต่ปฏิสนธิจิตคืออุเบกขาสันติรณะเหมือนกัน3 ม, มีกายามีกายเหมือนกัน ปติสนธิจิตต่างกันพวกนี้หมายถึงพรมพวกพรมที่บางพวกนี้ยังมีวิจารณ์บางพวกละวิจารณได้แล้วเพราะฉะนั้นบางพวกที่ยังมีวิจารณกับไม่มีวิจารณ์แต่ว่ามีปิติสร้างออกจากกายเหมือนกันกลุ่มชั้นพรมทุติยชาญภูมิเนี่ยนะปริตารตาภาอั ป, ปมานาภาและอภัสราเนี่ยสมชั้นนี้ร่างกายเหมือนกันคือรัศมีสร้างออกมาเหมือนกันแต่ ปฏิสน่ตัวปฏิสนที่จิตบางพวกยังมีวิจารบางพวกไม่มีวิจารข้อที่สกายเหมือนกันปฏิสนที่จิตเหมือนกันเช่นเวหัลพลาพรมชั้นสูงเนี่ยนะแล้วก็หาอากาสารัญจา ย, ยตนะหวิญวิญญาณัญจายตนะเจก็อากินเนี่ยนะพวกนี้หมายถึงปฏิสนที่ในภพต่างๆนั้นเป็นเช่นนี้ ทีนี้พวกนี้เนี่ยนะถ้าตอนทํากรรมเนี่ยก็กรรมมวิญญาณก็มีกุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นอารมณ์ไม่ได้พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณทิติที่เป็นกรรมเนี่ยคือเหตุวิญญาณทิติที่เป็นผลของกรรมนั้นเป็นเป็นเป็นวิบากกรรมมวิญญาณคือเหตุกรรมมวิญญาณคือเหตุใช่ไหม วิปากวิญญาณเป็นผลเวลาทำเหตุเนี่ยทำที่ไหนอ่ะก็ทำในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคืออารมณ์นะทิติตัวนั้นเนี่ยแปลว่าทิติเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าตั้งตั้งอันนี้ตั้งในฐานะอะไรอารมณ์เนี่ยนะตั้งในฐานะอารมณ์เนี่ยนะเพราะ อารมณ์ของกุศลอกุศลก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นปริยายแห่งเทศนาเท่านั้นเองนะถ้าศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอ่ะนะถ้าใครย่อๆก็บุญเป็นปัจจัยให้เกิดในภพสาบาปเป็นปัจจัยให้เกิดในการมมพบถ้าอยากจก้จำย่อๆแบบนั้นก็ได้แต่อันนี้หมายถึงว่าแทนที่จะไปคุยเดรัจฉานคถาก็มาจําแนกเรื่องนี้โดยปริยายต่างๆสนทนาจะได้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้นจะได้มาคิดเยอะๆขึ้นอ่ะนะ อซ่องเสพอุปนิสัยปฏิสัมพิทาเอาไว้แต่ว่าเนนะนก็นนูตัวแรกคือมาจากคำว่านนูเนี่ย น, นะมาจากนานาเท่ากับต่างๆออ่างนี่มาจากเอกแปลว่าอย่างเดียวเนี่ยนะ น, น, นมาจากนานาก็นานัตตะนะควานาตาัตตะตะตะตัวนั้นแปลว่าความก็คือนานานะั่นแหละนานัตตะนะนานาก็คือนานัตตะก็ความเป็นต่างๆเรียกว่าตะตะปัจจัยอะลงในอัจว่าความแต่ว่าง่ายๆก็คือเนี่ยมันเป็นต่างๆกันน่ะเรียกว่าความเป็นต่างๆ ภาวะนะลงในอัฐภาวะอะไรก็เนี่นออนออะไรพวกเนี่ยก็ชื่อเต็มนะเช่นนานัตกายะนานัตสัญญีแปลว่ามีรูปกายที่ต่างกันและมีปฏิสนธิจิตสัญญาตัวนั้นหมายหมายถึงจิตมีปฏิสนธิจิตที่แตกต่างกันอย่างถ้าข้อสองก็ มีร่างกายที่แตกต่างกันปฏิสนธิจิตที่เหมือนกัน น, นะก็ดูตนนั้นอนะต่างกันเหมือนกันก็มีคาว่าวิญญาณทิติเนี่ยมีอยู่หลายแห่ง น, นะมีน า, ายพระไตรปิฎกมีอยู่หลายแห่งก็ไปดูเอาในมหานิทานสูตรก็มีนะในมหานิทานสูตรนะวิญญาณทิติเนี่ยมีในมหาวิณิทานสูตรก็มี ส่วนวิญญาณทิติสี่นี่ก็ดูในสังยุตตนิกายขันธวารวักนะในขันธวารวักก็กล่าวถึงวิญญาณทิติสคือโดยสรุปนี้เราจะเห็นว่าถ้าการกล่าวภาเวตประธรรมภาเวตประธรรมคืออะไรตัวนะสติปทาน4ใช่ไหมกายคตาสติเวทนาคตาสติจิตตคตาสติธรรมมคตาสติก็คือ สติประฐานสถ้ากล่าวสติประฐานสีอินทรีย์หก็ชื่อว่ากล่าวแล้วดูได้อะไรดูได้จากคําเช่นว่าถ้ากล่าวอาตาปีก็ชื่อว่ากล่าววิริยินรี่ถ้ากล่าวสัมปชาโนชื่อว่ากล่าวปัญญินรี่กล่าวสติมาก็คือสตินินรีย์กล่าวว่าวินัยะโลเกยอภิชาโทมานัสสังกําจัดอภิชาโทมานต์นก็คือสมาธินรี่ พันาเจริญอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเจริญกายานุปัสนาพิจารณาเห็นกายในกายก็ชื่อว่าเจริญสตินีด้วยเชื่อว่าเจริญสัมมาประธานเจริญนะเพราะว่าอาตาปีเนี่ยเป็นตัวแทนของสัมมาประธานใช่สติ น, ตนีหรือสติมาก็คือสติประทานสสัมปชานโนก็เป็นตัวแทนของปัญญี วินัยะโลเกที่เน้นไปที่สมาธิสีก็เท่ากับแสดงฌานด้วยเนี่ยนะเพราะว่าผู้เจริญวิปัสสนาบางท่านเป็นสมถะญาณิกะที่ได้ได้ฌานเนี่ยนะได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นภาเวตประธรรมนั้นะ่ะเมื่อเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ชื่อว่าเจริญสมัมมปัฏฐานนะกุศลธรรมก็จะเจริญพออพูนยิ่งขึ้น ถ้าเจริญสา ม, มารประทานก็ชื่อว่าเจริญอิทธิบาตเจริญอินทรีย์เจริญพระเจริญโพชฌงเจริญอริยมรรคมีองค์8ถ้าเจริญทั้งทำทั้งหมดดังกล่าวไปก็ชื่อว่าเจริญโพธิปัจขยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายที่ทําให้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ติร์นจากความหลับคือกิเลสนะเพราะว่าโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะถึงจะแสดงถึงจะจำแนกมากมายปานใดก็ตามกุศลธรรมเหล่านี้ก็นําออกจาก วัตทุก์เป็นลักษณะนะถ้าเรามองเห็นว่ากุศลธรรมเหล่านี้ที่เราเจริญเป็นธรรมที่นําออกจากวัตถุทนะุกน่าเราจะเห็นคุณเมื่อเราเห็นคุณนะเราก็ยินดีที่จะเจริญกุศลธรรมนั้นนั้นนะแต่ถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับโอ้โหเป็นภาระอนุ่ น, นก็ต้องเจริญอันนี้ก็ต้องเจริญใช่ไหมดูมันเดือดร้อนไปสัมหมดเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำมันนั่นก็ยังไม่เจริญเนี่ยนะแต่ถ้ามองว่าทุกอย่างทุกอย่างที่พระ อ, องค์สอนสิ่งเหล่านี้นําออกจากทุกนะ นี่ควรเจริญนะนี่ควรเอานั่นควรได้นั่นควรบําเพญ็ญนี่ควรภาวนาถ้าตั้งจิตไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆในที่สุดก็จักเจริญได้อย่างทั่วถึงทีนี้ถามว่าโอ้แล้วเมื่อไร่จะเต็มเนี่ยนะทีตอนประมาทก็ยังรอได้ไม่เห็นรีบร้อนอะไรทีอย่างนี้แหมจะทําให้มันเสร็จเร็วเสร็จไวนี่จะไปเร่งเอาเร่งเอาอะนะแต่ก่อนหน้านี้หลับมาตลอดเลยนะเหมือนอย่างว่านะตื่นอะไรก็เรียกว่า นอนตื่นสายเนี่ยนะงานจะเลิกอยู่แล้วค่อยรีบไปทํางานแล้วไปให้มันทันในพระไตวิโด ก, ก็มีนะชาดกเรื่องหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งนะอดีตชาติท่านก็นิสัยเหมือนนะชาติที่แล้วกับชาติหลังนิสัยมันเหมือนเหมือนกันอยู่เรื่องคือหมายว่าไอตอนเขาเลิกแล้วเจ้านี้ค่อยไปรีบนะอดีตชาตชาิอดีตชาติก็เหมือนกันก็มีลูกศิษย์หลายคนด้วยกันเนี่ยนะของอาจารย์ที่สาปาโมกไปหักฟืน ลูกเสร็จคนอื่นๆเข้าก็ไปเที่ยวคอยหักฟืนเตรียมฟืนได้เต็มที่ไอ้เจ้านี่ไปถึงก็หลับนะนะหลับอยู่ในปา่านี่แหละพอเขาอื่นก็กลับเขาก็ไปเคลียร์เออในเวลากลับแล้วตื่นขึ้นมาตัวเองยังไม่ได้ฟืนก็ไปหักอะไรต้นไม้ที่มันดูข้างนอกเหมือนต้นไม้ตายเนี่ยนะเรียกว่าต้นบางอย่างนะดูข้างนอกเหมือนต้นไม้ตายเพราะใบมันร่วงหมดก็รีบไปหักนะไอ้ความที่ไม่ทันพี่เจริไม้ก็ดีตาเอาตาแตกซะอีกนะเดือดร้อนคนอื่นหมดเลยนะ นี่ก็เหมือนกันพระพิสุกลุ่มหนึ่งอ่ะ น, นะในในชาติหลังมาเนี่ยเ พ, เพื่อนเพืนเขาก็เขาไม่ประมาทใช่ไหมเขาไปเจริญปฏิบัติธรรมบรลุมรรคผลกันหมดจนโยมคนหนึ่งเขานิมนต์มาฉันอันนะี้เขาก็นีมนต์ให้ฉันเช้าพระพิสุรูปนี้ท่านก็ก่อนหน้านี้ขี้เกียจมาตลอดใช่ไหมมาเกิดขยันปฏิบัติในคืนนั้นเดินจงกลมจนล้มฟุบเหมนไนะพระพิสุก็ต้องมาคอยพยาบาลวันนั้นอดฉันกันหมดเลยอันนะี เพราะว่ามวัวแต่คอยดูแลพระที่มารีบอยู่คนเดียวเนี่ยนะเรียกว่าของเราทั้งหลายถ้าจะรีบก็น่าจะเริ่มรีบตั้งแต่สมัยก่อนนู้นมาแล้วนะมารีบตอนนี้รีบอะไรตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ทีแต่ก่อนก็ทําเป็นใจเย็นได้ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปรีบมากมายนักก็ค่อยเจริญไปเถอะแต่ขณะเดียวกันก็อย่าช้ากันแล้วกัน ทีนี้ถ้าหากว่าโพธิปักยะธรรมนั้นมีการเจริญการอบรมอย่างนี้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็เชื่อว่าละใช่ไหมวิปปาราตอุปาทานโยคะคันธะอาสวะโอฆะลูกสอนอพวกนี้เป็นสิ่งที่จะต้องละส่วนวิญญาณทิตินั้นก็เป็นธรรมที่ควรทำปริญญาแล้วก็อักขติก็ย่อมถึงการละแม้อกุศลธรรมก็ถึงการละเพราะในฐานะเป็นปหาตัปรธรรมเป็นธรรมที่ควร ละตรงนี้ทำไมท่านจึงยกวิญญาณทิติขึ้นมาให้เราดูเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าคิดนะเฉพาะในส่วนของวิญญาณทิติที่เป็นธรรมที่ควรละเนี่ยนะเพราะว่าธรรมที่เน้นไปที่การละนะวิญญาณทิติที่เน้นการละเป็นพิเศษคือการละอากุศลอากุศลนั้นเกิดที่ไหนที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและ แล้วก็ตัวตัวจิตก็กล่าวอยู่แล้วใช่ไหมก็เชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารในบรรดารูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เนี่ยนะถ้าแบ่งแบ่งไปแล้วเนี่ยแบ่งแบ่งไปแล้วเนี่ยผู้ที่ทำปริญญาได้อย่างเด็ดขาดเลยนะก็คือพระท้ารหารันท่าระหันเนี่ยทำปริญญาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้อย่างบริบูรณ์ใช่ไหม เพราะขันห้าเหล่านี้เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยทำปริญญาเพื่อละอะไรสกายทิฐิกับวิจิกิจฉาพระสกธาคามีก็ทําปริญญาเพื่อละราคะโทสะให้เบาบางพระอนาคามีก็ทําเพื่อละกามราคปฏิฆะย่างเด็ดขาดพระอนาคามีก็ทําปริญญาเพื่อละพผ้าหันอรหัตมรักษ์เนี่ยทำปริญญาเพื่อละ รูปปราคารูปปราคะมานะอุทจจะอวิชชาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรียกว่าถ้าละสิ่งที่ควรละดังกล่าวไปก็ชื่อว่าได้กำหนดรู้ในในสิ่งนี้เธอท่านอยากจะบอกว่าผู้ที่เจริญอย่างนี้ชื่อว่าเจริญสิ่งที่ควรเจริญชื่อว่าได้ละสิ่งที่ควรละชื่อว่าได้กำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้เนี่ยนะเพราะการทาให้แจ้งอริยสัจก็จะมีด้วยประการอย่างนี้ การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าพยายามจับเอากลุ่มสุตตามยายานเอาไว้เป็นเป็นหลักะนะการศึกษาก็จะเห็นภาพรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะก็การเดินเรื่องการขยายเนื้อหาในพร ะ, พระธรรมะนะทั้งในพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่พ้นหลักสุตามยายานอะไรเนี่ยนะเพราะหลักสุตามยิยานนั้นสามารถใช้ได้กับทั้งพระไตรปิฎกเลย ทบควนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้ากล่าวตาอายตนะภายใน6ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวรูปประขันขันอื่นๆก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวกายคตาสติเวทนาจิตธรรมก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวสติปัฏฐาน4ี่โพธิปัจยธรรมที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่โพธิปัจขะธรรมที่เหลือก็ชื่อว่าเจริญแล้วแต่เจริญได้ยังไงเนี่ย อย่าไปเข้าใจผิดแบบว่าไม่ได้เจริญแต่นึกว่าเจริญนะก็ต้องอันนั้นก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะเร mm ีย hmm. กว่าพยายามให้มันตรงต่อสภาพที่เป็นจริงนะนะเนพระก็ในช่วงเช้าเนติปกรณ์ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน